ดอนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวอำภพวาไปดูหิ่งห้อยดีกันไหมสมผัสสยองคืนภวาที่อำภพวา เสียงเพื่อนผมที่ชื่อเต่าเอ่ยชวนผมชื่อดอนดงดอยครับเต่าเป็นเพื่อนสนิทของผมมาตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาด้วยกันพอเรียนจบปวชต่างคนก็ต่างเข้ามาทำงานในกรุงเทพบางเงินมาได้งานอยู่แถวแถวเมืองทองธานีเหมือนกันพวกเราจึงมาเช่าห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองด้วยกันเพื่อช่วยกันแชร์ค่าห้องเมื่อได้ยินเพื่อนชวน ผมก็ตอบเตาไปว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ว่ายังทำงานอยู่นะแต่เตาตอบมาว่าเขาจับสลากได้วันหยุดพรุ่งนี้และอยากจะไปดูหิ่งห้อยที่อัมพวาแต่ไม่มีเพื่อนว่างไปด้วยเลยก็เลยอยากให้ผมไปเป็นเพื่อนตัวผมเองก็เป็นคนรักเพื่อนในที่สุดก็ใจอ่อนกับเสียงออดอ่อนจึงได้โทรศัพท์ไปบอกหัวหน้าที่ทางาน ว่าขอลาหยุดหนึ่งวันหัวหน้าก็ดีใจหายไม่ถามสักคำว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกตอบกลับในทันทีอนุญาตให้หยุดงานได้รุ่งเช้าเราสองคนก็จัดข้าวของที่จำเป็นใส่เป้คนละใบคลิปนี้ไปเที่ยวแบบแบค็คแพค็คจากเมืองทองเดินทางไปขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัย กว่าจะไปถึงที่คิวรถตู้เวลาก็ปาไปเจ็ดโมงกว่าแล้วพวกเรานั่งรถตู้มุ่งหน้าไปอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอีกชั่วโมงกว่ากว่ า, ก, วาก็ถึงเป้าหมายปลายทางเราเที่ยวกันครั้งนี้ไปแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะไม่รู้จักสถานที่เลยไม่รู้เหนือรู้ใต้จริงๆเพราะเราสองคนมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน แต่ได้ไวัยหนุ่มของเราสองคนจึงไม่กลัวอะไรจะกลัวไปทำไมละ่ะก็พูดภาษาไทยได้เหมือนกันถนนหนทางอยู่ที่ป่าตามคำที่คนเฒ่าคนแก่บอกก็ไปได้ทั่วไทยแล้วพวกฝรั่งสิพูดอ่านภาษาไทยไม่ได้จนต้องดูแผนที่ซึ่งคนไทยดูแผนที่ของคนไทยทำยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ฝรั่งยังไปเที่ยวได้ทุกซอกทุกมุม พอเราถึงอำพวาก็ลงจากรถตู้แล้วเดินไปอีกนิดก็ถึงตลาดน้ำอำพวาเวลานั้นเป็นเวลาประมาณเกือบ11บเอดโมงตลาดน้ำตอนเช้าของอำพวาที่จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายของก็วายหมดแล้วเราสองคนเลยแวะดื่มกาแฟนั่งกินขนมไทยดูผู้คนเดินไปเดินมาทั้งสองฝั่งของแม่น้าแม่กรอง ก็เพลิดเพลินดีพอหิวเตาก็ชวนผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออีกร้านหนึ่งซึ่งดูท่าทางน่าอร่อยโดยตัดสินใจกันว่าร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูจากคนที่ไปอุดหนุนในร้านถ้าคนมากินร้านไหนเยอะก็คิดเอาเองว่าร้านนั้นคงจะอร่อยพอเราเข้าไปในร้านและเลือกโต๊ะนั่งเรียบร้อยแล้วก็สั่งอาหาร แม้ว่าผู้คนจะเข้ามากินในร้านเยอะมากก็จริงแต่เรานั่งรออยู่ไม่นานนักก็มีเด็กมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้ร้านนี้เป็นบริการแบบมืออาชีพจริงๆรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือ ก, ก็อร่อยมากเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นถึงใจอิ่มอร่อยไม่ผิดหวังเลยจริงๆหลังจากที่อิ่มแล้วเราสองคนก็เดินดูข้าวของที่เขานามาขาย แต่พวกเราตั้งใจเวลาว่าจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยมากเพราะมาเที่ยวแบบมากินมาดูเท่านั้นไม่ได้มาช้อปปิง้งจุดประสงค์หลักที่พวกเรามากันก็คือมาดูหิ่งห้อยพวกเราเดินโตเตไปเรื่อยจนเกือบห้าโมงเย็นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปดูหิ่งห้อยที่ไหนเลยเดินไปถามชายคนหนึ่งข้างทางว่า ถ้าอยากจะไปดูหิ่งห้อยต้องทำยังไงพี่เขาก็ใจดีแนะนาว่าให้จองรอบไปดูหิ่งห้อยที่ร้านนำเที่ยวได้เลยพวกเราก็ไปติดต่อกับเจ้าของเรือและซื้อตัวลงเรือสองทีแล้วก็นัดหมายเวลาว่าจะลงเรือตอนหนึ่งทุ่มเพราะหิ่งห้อยจ อ, อกมาให้เห็นเวลาประมาณนี้จนถึงสองทุ่มของทุกคืน แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นหิงห้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าของเรือถามผมต่ออีกว่ามีที่พักกันหรื อ, อยังถ้ายังไม่มีที่พักก็พักที่โรงแรมข้างๆนี้ได้เราสองคนหันไปมองที่โรงแรมนั้นแล้วมองไป ร, บรอบๆก็เห็นมีคนมากมายทั้งฝรั่งจีนและไทยคิดว่าคนพวกนี้คงจะพักที่โรงแรมนี้แหละ ผมจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรอยากลองเดินหาที่พักไปเรื่อยๆแล้วผมกับเต่าก็เดินออกมาจากร้านพวกเราไม่ชอบคนพลุกพล่านจึงอยากได้ที่พักที่เงียบสงบสบายๆคิดว่าแถวๆนี้น่าจะมีที่พักให้นักท่องเที่ยวอยู่หลายหลังเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมามากในช่วงนี้แล้วก็จริงอย่างที่คิด เราเจอที่พักที่เป็นแบบโฮมสเตย์อยู่หลายหลังแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีคนพักเต็มหมดแล้วเราเดินหาที่พักกันจนเกือบมือในที่สุดเราก็เจอบ้านหลังหนึ่งเป็นลักษณะบ้านแบบชาวบ้านธรรมดามีสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ส่วนชั้นล่างเป็นปูนน่าจะต่อเติมใหม่พอเดินเข้าไปในบริเวณหน้าบ้าน ก็มีลุงแก่ๆอายุประมาณหกกว่าปีเดินออกมาต้อนรับในมือแกถือตะเกียงน้ำมันมาด้วยเวลานั้นพระอาทิตย์ตกลับเรียมเขาไปแล้วท้องฟ้าก็มืดพอดีผมหวังว่าจะมีห้องว่างให้เราสองคนสักห้องจึงถามห้องพักกับลุงแล้วลุงก็บอกว่าเหลืออยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กๆอยู่ชั้นล่าง ติดกับบันไดซึ่งเพียงพอที่จะพักกันได้สองคนพอตกลงราคากันแล้วแกก็ขอให้จ่ายล่วงหน้าก่อนโดยให้เหตุผลว่าตอนชาวที่นี่ไม่มีอาหารเลี้ยงให้หากินเองดังนั้นถ้าจะไปก็ไปได้เลยไม่ต้องเจอแกก็ได้พอผมจ่ายค่าห้องเสร็จลุงแกก็ส่งตะเกียงน้ํามันให้พร้อมกับขวดน้ามันหอมระเหยอีกหนึ่งขวด ซึ่งลุงบอกว่าเป็นน้ำมันตรไครหอมไว้ทากันยุงให้เป็นของกำนันที่มาใช้บริการหลังจากที่รับของแล้วลุงแกก็ชี้ห้องผักให้เราสองคนดูพอเราสองคนเดินเข้าไปก็เห็นว่าห้องนั้นดูสะอาดดีเลยทีเดียวถึงแม้จะมีลักษณะค่อนข้างเล็กแต่ก็เพียงพอที่จะพักสองคนอย่างสบาย พอเราวางกระเป๋าเสร็จก็รีบไปอาบน้ำเพราะยังมีนัดกับเจ้าของเรืออีกตอนหนึ่งทุ่มผมแต่งตัวไปก็หยิบสระเปาที่ซื้อจากตลาดน้ำกินไปด้วยแก้หิวคิดว่าถ้ากลับจะดูหิงห้อยเสร็จก็จะมาหาอะไรกินที่ร้านข้างๆที่เรือจอดเพราะหมายตาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วขณะที่แต่งตัวอยู่ผมก็ได้ยินเสียง กุกกุกกักกักและเสียงคนพูดกันสำเนียงเหมือนจะเป็นคนจีนดังมาจากห้องชั้นบนผมคิดว่าเขาก็คงจะเตรียมตัวไปดูหิ่งห้อยเหมือนกันหลังจากที่ผมกับไอ้เต่าแต่งตัวเสร็จก็พากันออกมาแล้วก็พบคุณลุงเจ้าของโฮมสเตย์ยืนอยู่ที่หน้าบ้านแกก็ถามว่าไม่ลงเรือไปดูหิ่งห้อยด้วยกันหรอ ที่จริงแล้วลุงแกนอกจากจะมีห้องพักแกก็มีเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวชมหิงห้อยเหมือนกันผมตอบลุงไปว่าผมจองเรือไว้แล้วจากนั้นผมกับเอเตาก็รีบจ้ำอ้าไปที่ท่าเรือที่นัดหมายกันไวเพราะใกล้เวลาที่เรือจะออกแล้วคืนนี้อากาศเย็นสบายลมพัดเฉยเยบรรยากาศดีเลยทีเดียว สายน้ำแม่กรองไหลสะท้อนไฟในเรือระยิบระยับชาวบ้านสองฝั่งข้างทางก็ดูเหมือนจะให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วยกันดับไฟที่อยู่ริมฝั่งจนมืดหมดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้บรรยากาศในการชมหิ่งห้อยเรือของเราเป็นเรือหางยาวมีหลังคากันลมระยะทางที่จะไปชมหิ่งห้อย ก็ต้องนั่งเรือไปประมาณสมกิโลเมตรพอใกล้ถึงสถานที่ที่จะชมหิ่งห้อยคนขับเรือก็ดับเครื่องยนต์และดับไฟในเรือเหลือเพียงตะเกียงน้ำมันที่ให้แสงสว่างนำทางแล้วคนขับกับเด็กท้ายเรือก็ใช้ไม้พายค่อยๆพายไปเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนธรรมชาติมันช่างเป็นอะไรที่งดงามมาก สองข้างทางมีต้นลำพูแผ่กิ่งก้านสาขาขนาดใหญ่อยู่ริมน้ำแต่ละต้นก็จะมีหิงหอยจำนวนมหาศาลจับอยู่เป็นกลุ่มๆแต่ละตัวแข่งกันกระพิบแสงไฟไรยิบไรยับสวยงามมากในเรือนี้ก็จะมีผู้นําเที่ยวคอยบรรยายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหิงหอยว่าอยู่กินยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ฟังหรอก พอมัวแต่ชื่นชมความงดงามเรือเคลื่อนไปได้สักพักเจ้าของเรือก็จอดเรือนิง่งให้คนในเรือได้ชมธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มคุ้มสุดๆที่ผมหนีงานมาเที่ยวจนเวลาประมาณสองทุ่มกว่าๆเรือก็หันหัวกลับพอภายไปได้สักระยะคนขับกับเด็กท้ายเรือก็นําภายไปเก็บ และกำลังจะติดเครื่องเพื่อแล่นเรือกลับในขณะนั้นเองก็มีเรือหางยาวอีกลำหนึ่งที่คงจะกลับเหมือนกันเรือลำนั้นติดเครืองและกำลังวิ่งผ่านเรือของเราในเรือมีแสงไฟสลัวสลัวทาให้ผมมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหันมาโบกมือให้จึงโบกมือตอบพอมองดีๆผมก็เห็นลุงเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมพัก เป็นคนขับเรือลำนั้นผ่านไปจึงบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเห็นเรือลุงคนนั้นขับผ่านไปไหมเต่าไม่ตอบผมคิดว่าเสียงเรือคงดังกลบเสียงของผมเต่าก็เลยไม่ได้ยินหลังเสร็จจากการชมหิ่งห้อยพวกเราก็แวะไปกินข้าวหมูกรอบกับกระเพราหมึกจนยิ่มแป้แล้วก็เดินกลับไปยังห้องพักเมื่อไปถึงโฮมสเตย์ที่เราพัก ก็พบแต่เพียงความมืดและเงียบสนิทเราสองคนคิดว่านักท่องเที่ยวจีนพวกนั้นคงจะกลับมาก่อนพวกเราและเข้านอนแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนแขกชั้นบนพวกเราจึงค่อยๆเดินเข้าไปในห้องอย่างเบาที่สุดหลังจากที่เราทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็เข้านอนจนเวลาประมาณตีสี่ผมก็สะดุ้งตื่นขึ้น เพราะได้ยินเสียงดังมาจากด้านบนมันเป็นเสียงเหมือนคนลากกระเป๋าและมีเสียงพูดคุยกันเสียงดังแต่ฟังไม่ได้สับผมเคยเจอนักท่องเที่ยวจีนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็มักจะพูดกันเสียงดังอย่างนี้เหมือนเป็นเรื่องปกติก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็พล่อยหลับไปเราสองคนตื่นมาอีกทีประมาณ8ดโมงเช้า ลุกขึ้นมาอาบน้ำและเก็บข้าวของเตรียมกลับผมคิดว่านักท่องเที่ยวจีนข้างบนคงกลับไปแล้วเพราะไม่มีเสียงพูดคุยกันเลยมันเงียบสนิทเพราะพวกเราเดินออกมาก็ไม่เห็นคุณลุงเจ้าของบ้านแต่ผมก็จำสิ่งที่แกเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าพวกเราจะกลับก็กลับได้เลยเพราะจ่ายเงินไปหมดแล้ว ผมกับเต่าจึงเดินออกมาที่ถนนา น, นาบานเพื่อคอยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่นานนักก็มีรถสองแถวคันเล็กๆวิ่งผ่านมาผมจึงโบกมือให้จอดแต่พี่แกกลับมองหน้าผมแบบงงๆแล้วถามว่าอา้าวเมื่อคืนพักที่ไหนกันนะ่ะผมก็ชี้ไปที่บ้านโฮมสเตย์หลังนั้นให้ตายเถอะเมื่อผมหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้ง ก็เห็นว่าทางเดินที่จะเข้าไปยังบ้านเป็นหญ้ารกปกคลุมทั่วไปหมดโฮมสเตย์ที่ผมผักดูสุดโซมเหมือนกับเป็นบ้านร้างไม่เหมือนกับเมื่อวานตอนที่ผมมาซึ่งต่างกันลิบหลับพี่รถสองแถวรีบบอกให้ผมสองคนขึ้นไปนั่งในรถจนขับมาถึงท่ารถตู้พวกผมก็ลงไปจ่ายเงินแล้วพี่คนขับก็พูดกันว่า บ้านหลังนั้นน่ะเป็นบ้านร้างไม่มีคนมานานแล้วผมกับเตามองหน้ากันแบบงงๆพี่คนขับเล่าต่อว่าเมื่อสามปีที่แล้วลุงเจ้าของบ้านหลังนั้นขับเรือพานักท่องเที่ยวชาวจีนเกือบสิบคนไปนั่งชมเรือหิ่งห้อยพอตอนขากรับเรือของแกเสียหลักวิ่งชนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างแม่น้ำจนเรือพลิกคว่า ด้ยความมืดและเรือลำอื่นๆก็อยู่ไกลแถมเสียงเรือก็ยังดังอีกจึงทำให้ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเพราะเรือของลุงเป็นลำสุดท้ายพวกเขาคงทรมานมาที่พยายามดิ้นรนหาทางรอดสุดท้ายคนในเรือก็เสียชีวิตทั้งหมดพอผมได้ยินดังนั้นก็เกิดขนลุกตั้งทั้งตัวคิดว่าคงเจอดีเข้าแล้ว ท่านใดนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าลุงแกได้ให้ของสิ่งหนึ่งกับผมไว้ผมจึงเอามือล้วงไปหยิบสิ่งนั้นที่กระเป๋าเป้ก็เจอขวดน้ำมันตะไครหอมและมีตัวหนังสือพิมพ์ที่ข้างขวดว่าที่ระลึกงานชาปนกิจศพนายทองดีใจหารอายุ63ปี15ตุลาคม2558 พัดสิอง